ทีนี้สุตตมยญานที่ฟังแล้วศพฟังสมบูรณ์ฟังจนแยกแยะว่านี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละนี้ควรทําให้แจ้งนี้ควรเจริญนั้นหัวข้อถามนั้นท่านจึงพยายามให้มองเจดีย์เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมไม่ใช่มองเจดีย์เหลี่ยมเดียวเนี่ยนะให้เห็นเป็นสี่เหลี่ยมให้เห็นเป็นสีม่มุมถ้าได้อีกมุมหนึ่งมันต้องสมดุลกับอีกหลายมุมนัม้นผู้ใดกําหนดรู้ทุกผู้นั้นชื่อว่าละสมุทไทยผู้ใดละสมุทไทยัยผู้นั้นชื่อว่า ทำพระนิพานให้แจ้งผู้ใดทำพระนิพานให้แจ้งแสดงว่าเขาเจริญมรรคเพราะฉะนั้นอริยสัตว์นั้นจึงแทงตลอดด้วยปฏิเวทยานเนี่ยนะยานที่แทงตลอดบางอย่างก็โดยกิจบางอย่างก็โดยอารมณ์อริยมรรคยานนั้นทำกิจสี่เลยเน้อเรียนต่อไปก็จะถึงว่าอริยมรรคยานนั้นทำกิจกําหนดรู้ทำกิจละสมุทัยทำนิโรธโดยอารมณ์แล้วก็ทำภาวนาโดย โดยกิจอีกเหมือนกันเห็นไงั้นบางอย่างก็โดยกิจบางอย่างก็โดยอารมณ์ซึ่งเสิ่งเหล่านี้ถ้าดูตามคําสอนแล้วก็คงเป็นธรรมะระดับสูงที่เรียกว่าปัจจตังเนี่นะก็ผู้ที่เข้าถึงเป็นธรรมะที่เวทีตัพโพวินโยหิเป็นธรรม ท, รรมที่อุคติตันยูวิปัญจิตันยูและนัยยะบุคคลรู้ได้เฉพาะตัว ค, คือผู้ที่มีบุญสั่งสมไว้แล้วส่วนผู้ที่ยังไม่มีบุญขนาดนั้น อย่างน้อยที่สุดการได้ยินได้ฟังคำสอนเหล่านี้ก็เป็นสวนานุตริยะเป็นการได้ยินได้ฟังสิ่งอื่นที่ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าเออขออภัยเป็นการฟังในสิ่งที่ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าในการฟังทั้งหลายถามว่าทาไมการฟังธรรมเหล่านั้นจึงเป็นสวนานุตริยะเป็นการฟังที่เลิศประเสริฐเหลือเกินยกย่องกันมาเพ <c oughs> ราะอะไรเพราะว่าการฟังเหล่านี้เป็นไปเพื่อ ความบริสุทธิ์แห่งศากดิ์ทั้งหลายถ้าฟังเหล่านี้แล้วจะได้บริสุทธิ์จากราคะโทสะและโมหะเป็นต้นเป็นตายเพื่อดับทุกข์และโทมนัตเป็นตายเพื่อบรรลุญาตธรรมเป็นตายเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนะในพิสุทธิ์ผู้ที่ทรงคําสอนเรียกว่าทรงปริยติธรรมคือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าทรงจําด้วยความเคารพนะนะด้วยความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามที่จะไม่พ้นทุกข์ไม่มี ในอัตถกถาพิพังค์ท่านกล่าวว่าผู้ที่ทรงปริยัติแล้วไม่พ้นทุกข์ไม่มีขอให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วทรงจําแล้วก็เอาไปโสตาวิธานีปัญญาใช่ไหมทรงจำให้ให้ดีๆแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปอบรมไปเจริญเพราะภ า, าระธรรมะที่ควรเจริญเนี่ยมีอย่างเดียวคือภาเวตาปรธรรมนะแต่ตรงนี้ที่เราเรียนเนี่ยก็คือเรียนเพื่อให้ฟังเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยให้กว้างขวาง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่ออะไรเพราะป้องกันความเข้าใจผิดคำภีร์ปฏิสมัมพิธา น, นั้นถ้ากล่าวโดยสมบูรณ์จะต้องกล่าวว่าเป็นคำภีร์ที่อนุเคราะห์คนโง่จริงๆนะเขาบอกโอ้ยคำพีพวกนี้เอาให้คนฉลาดเรียนระาว่าง ก, กันจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรที่มันแจกละเอียดยิบเลยเนี่ยนะมันเหมาะกับคนโง่อย่างเดียวไม่ได้เหมาะกับคนฉลาดคนฉลาดโน้นต้องไปฟังธรรมจักโน้นะนะจะได้บรรลุเร็วๆนฟังแล้วปุ๊บ แจกเป็นปฏิสัมพิทาอย่างนี้ได้เลยนะเพราะท่านฉลาดอยู่แล้วในชะ่ไหมเพว่ที่ไม่ค่อยฉลาดนี่ต้องมาเรียนละเอียดยิบไปหมดเลยนี่ปัญหาว่าคนฉลาดบวกไอ้คนไม่ฉลาดบวกไอ้ขี้เกียจนี่อะไรจะเกิดขึ้นก็เลยโรคบุญน้อยก็กำเริบแล้วคะ่ะนี่เราบุญน้อยสั่งสมบุญวย้ยไม่มากอะไรก็เลยพอแนละ้วว่า ง, งั้นเถอะทีนี้อการทําคําว่าปริญญาในปริญญาธรรมเนี่ยนะปริญญานิเทศนี้กว้างขวางเกินกว่า ที่กล่าวแบบทั่วๆไปเช่นคําว่าทุกนิควรทําปริญญาทุกขสมุไทยก็ควรทําปริญญาทุกคณิโรดก็ควรทําปริญญาทุกขานิโรทักษามิหนีปฏิปทาก็ควรทําปริญญาตรงนี้ที่เป็นธรรม ท, ที่อะไรนะลึกซึ้งเกินกว่าที่จะมาคิดแบบทั่วๆไปที่เพราะนิยามของคําว่าปริญญาสามใช้กับทุกขศัตพท์แต่คําว่าปริญญาปริญญายนิเทศในที่นี้ธรรมที่ควร กําหนดรู้ทำที่ควรรอบรู้ในที่นี้กว้างขวางมากเพราะฉะนั้นทุกขศาสตร์ก็เป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้โดยโดยอะไรโดยอารมณ์นนะควรกําหนดรู้โดยอารมณ์สมุทัยศาสตร์ก็ควรทําปริญญาโดยโดยการละอนะทุกขนิโรธก็ควรทําปริญญาโดยการ้วยการทําให้ให้ให้เป็นอารมณ์ปัจจัยที่เราเรียกว่าทําให้แจ้ง พุกคณิโรกก็ควรทําปริญญาแต่ปริญญาแบบเจริญนะปริญญาแบบทําให้มีขึ้นก็ดังที่ในธรรมะทั้งสองร้อยหนึ่งข้อตั้งแต่หมวดเอ่อหมวดสองไล่มาเรื่อยๆจนถึงหมวดที่สิบห้าธรรมะเหล่านี้ที่เป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ที่กล่าวไปกําหนดรู้เพื่ออะไรทําปริญญาเพื่ออะไรก็เพื่อรู้แจ้งแทงตลอด<ป>อริยสัจใช่ไหมเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดวันนี้ทุก นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธาค า, าม น, นี้ปฏิปทาก็สรุปว่าเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจมางั้นเถอะทีนี้ในทุกขาริยสัจเนี่ยนะทุกขาริยสัจเนี่ยเป็นธรรมที่กว้างขวางมากได้โลกียะธรรมทั้งหมดสองร้อยหนึ่งเอาออกสามเหลือเท่าไหร่ร้อยร้อยเก้าสิบแปดนะเพราะว่าคงไม่ต้องเอามาว่าอันนะอะไรนะ อนัญญาตัญญสามีตินีอนัญญาตัญญสามีตินสีสมุทัยอย่างเงนะี้ยไงอันนี้ก็โดยโดยนัยะพูดได้แต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงไม่ได้เนี่ยนะนะแต่ว่าโดยโดยการแสดงโดยโดยเทศนาโวหารเนี่ยได้แต่ว่าโดยการแทนตลอดอย่างนั้นจริงๆไม่มีเนี่ยนะนะไม่มีในลักษณะนี้นะใครที่เรียนไวยากรณ์ สายวยากรณ์บาลีใหญ่มาเนี่ยจะไม่แปลกใจบางอย่างเนี่ยโดยได้โดยหลักของไวยากรณ์แต่แต่เขาก็บอกว่าหลักการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเขาบอกว่าชินะวจานะยุตังหิต้องสมควรแก่ชินะวจานะหมายว่าสมควรแก่พุทธพจน์โดยส่วนเดียวต้องสอดคล้องกับพุทธพจน์ต้องไม่ขัดแย้งกับพุทธพจน์ที่อื่นๆด้วยจะด้วยเหตุผลที่ว่าเอาเหตุผลที่เขามา มาพิจารณาได้ไหมครับคือพูดถึงว่ามัคคจิตผลจิตทั้งหลายนี่นะครับทั้งแปดเนี่ยเป็นสัจจวิมุตติอยู่แล้วอ๋อมัคคจิตมัคคจิตไม่ใช่สัจจวิมุตติอริยมรรคมีองค์แปดที่ในมัคคจิตเป็นมัคสัจจะเจตสิกจิตและเจตสิกในมัคมัคคจิตนะนะจิตเจตสิกที่เหลือนอกจากมรรคมีองค์แปดในมัคคจิตจิตเจตสิกในผลจิตเป็นสัจจวิมุตติเช่นพอนเป็นสัจจวิมุตติ อริยมรคมีองค์แปที่ในมรรคจิตเป็นมรรคสัตว์จิตเจตสิกที่ในมรรคมรรคจิต ท, ที่เหลือและผลจิต ท, ทั้งหมดนี้เป็นสัจจะวิมุตติด้วยเหตุผลนี้ใช่ไหมครับจึงไม่สามารถเราจึงไม่ควรมาทําเป็นตรีนัปัญญาพิจารณาแบบตรีนัปัญญาเพราะว่าไม่ใช่ทุกสัตว์ด้วยอันนั้นก็ก็ไม่ผิดะนะแต่ขณะเดียวกันจริงๆเนี่ย คนที่มีมัคจิจพลรจิตเป็นอารมณ์จริงๆอ่ะบุคคลนั้นเป็นท่าระยะธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเป็นธรรมที่ควรบูชาอะเป็นเป็นธรรมที่ควรยกย่องเป็นธรรมที่ควรสรรเสริญโดยส่วนเดียวจึงจึงไม่จําเป็นเพราะตัวเขาเองเป็นตัวที่นําออกจากวัฏฏะอยู่แล้วถามว่าการทําปริญญาทั้งหมดวัตถุประสงค์จริงๆคืออะไรเพื่อดับทุกข์เหมือนกันเถอะเพื่อดับทุกข์ เมื่อได้คุณธรรมที่ดับทุกข์แล้วเนี่ยะจะต้องไปเรียกว่าสำนวนว่าต้องไปลำบากใจทําไมในการทําปริญญาเพียงแต่ว่าเอาไว้ปัจเจกว่าโอ้โหนี่คุณธรรมเหล่านี้เราได้แล้วหนอคุณธรรมคืออริยมรรคเหล่านี้เราเจริญแล้วคุณธรรมคืออริยผลเหล่านี้เราก็ทําให้แจ้งแล้วเนี่ยนะเขาก็ยกย่องแบบนั้นขณะเดียวกันถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มาพิจารณาว่าอริยมรรคเนี่ยสามารถเกิดได้กี่นัยะที่มาของคําว่าสหัสสนัยเป็นต้นเนี่ยนะ อริยมรรคเป็นพันในเนี่ยนะแล้วอริยมรรคที่ที่เกิดขึ้นเป็นพันพันในเนี่ยมาจากปัจจัยใดบ้างอันนี้ก็เป็นเป็นอารัมมณปัจจัยเป็นที่โคจรของพระสัพพัญยุตยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโลกุตระของบุคคลทั้งหลายเนี่ยเกิดได้อย่างไรเกิดได้เพราะปัจจัยอะไรเกิดได้จากการพิจารณาอะไรบ้างเนี่ยนะอันนั้นก็กว้างขวางระดับของอารมณ์ของ พระสัพพัญญุตญาณส่วนบุคคลที่เหลือก็อาศัยแนวทางที่พระพุทธเจ้าแนะนําเอาไว้ชี้แนะเอาไว้ก็พิจารณาตามไปเพราะว่าการพิจารณาอย่างนี้การการไข่ครวญคิดคำสอนเหล่านี้หลักการสําคัญก็คือจิตก็ปราศจากราคะขณะนั้นราคะไม่กลุ่มรุมการที่เอาคําสอนเหล่านี้มาไข่ค ร, ครวญมาพิจารณาราคะไม่กลุ่มรุมโทสะไม่กลุ่มรุมโมหะก็ไม่กลุ่มรุมแต่ระวังข้อพึงระวัง ร ะ, งงระวังว่าอย่างไงระวังว่าอภิธรรมนั้นถ้าเรียนไม่ดีอุทจักกําเริบนะนะก็จะได้ความฟุ้งซ่านเนี่ยนะก็อยู่ในโลกของจินตนาการเนี่ยนะก็มีแต่ควันขมงเต็มไปหมดเลยเรียนไตมากๆก็ศีรษะร้อนเผาเผาเผ า, ผากินยาแก้ปวดซะหน่อยดีไหมไม่ดีมั้งผิดตั้งนานแล้วผิดตั้งแต่ฟุ้งแล้วเนี่ยนะนะถ้าฟุง้งก็ทํำยังไงก็ไปสวดมนต์ก่อนอนะอิติปิโสพระวาก่อนเนี่ยนะไปว่าพระเจดีก็ได้ อสรุปมาทบทวนนะว่าทุกสมุทยัทยนิโรธมรรยาศาสตร์เหล่านี้ก็เป็นธรรมที่ควรควรอะไรควรกําหนดรู้ตัวทุกตัวคำว่าทุกตัวนั้นเนี่ยเป็นตัว ก, กระจายออกมาเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดใช่ไหมคำว่าทุกตัวนั้นเน่ยนะกระจายมาเป็นอะไรบ้างขันห้าปีรูปสาตรูปหกสิบอะไรอีกอนะก็ทั้งตั้งแต่หมวดสองจนถึงหมวด สิ้าที่กล่าวไป น, นั่นแหลก็มาใข้กลวนพิจารณาเอาวะนะรูปรูปสมุทัยรูปน um ิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธขามินีปฏิปทาสัญญาสัญญาสมุทัยสัญญานิโรธสัญญานิโรธขามินีปฏิปทาสังขารสังขารสมุทัยสังขานิโรธสังขานิโรธคามินีปฏิปทาวิญญาณวิญญาณสมุทัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทา เราฟังอย่างนี้แล้วบอกเอ๊ะพุทธพจน์แบบนี้ในพระไตรปิฎกทำพีอื่นๆมีอยู่หรือไม่มีพระองค์ตรัสว่ารูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปเขานิยมแปลมาอย่างนี้จริงๆก็คือรูปรูปสมูทัยรูปนิโรธรูปนิโรทคามิมีปฏิปทาถ้าไม่แทงตลอดอย่างนี้ไม่แทงตลอดรูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูป ถ้าไม่แทงตลอดอย่างนี้ไม่รู้เห็นอย่างนี้ก็ไม่ควรสิ้นทุกข์ไม่ควรแก่การทำความดับทุกข์เนี่ยนะเพราะคำว่ารูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปเท่ากับการยกกายานุปัสนาทั้งหมดมามาแสดงแล้วเนี่ยนะโดยสาบโดยวหาเนี่ยเท่ากับกายานุปัสนาสติปทานทั้งหมดเลยส่วนเวทนาเวทนาสมุทัยหรือเวทนาเหตุเกิดของเวทนา ความดับเวทนาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนา <c oughs> ก็เท่ากับเป็นการแจงเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานทั้งหมดส่วนสัญญาเหตุเกิดของสัญญาความดับสัญญาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสัญญาสังขารเหตุให้เกิดสังขารความดับสังขารข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารโดยเฉพาะตัวสังขารเนี่ยมาแจกเป็นกลุ่มนิวร์กับพ่อชองเป็นต้นเนี่ยนะนิวร์ก็เป็นถ้าพูดนิวร์นะก็เท่ากับ เราสังโยต์ด้วยเนี่ยนะเพราะอายตนะบาภาก็คือในกลุ่มสังโยต์ท่านนิวรณ์กับสังโยต์นี่เป็นสังขารที่ที่ต้องละอนะแต่ก็สังขารเหล่านั้นก็มีเหตุเกิดใช่ไหมมีเหตุเกิดแล้วก็มีความดับมีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับคนนี้ก็อยู่ในกลุ่มธรรมานุปัสสนาส่วนวิญญาณหรือเรียกว่าวิญญาณเหตุให้เกิดวิญญาณความดับวิญญาณข้อปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณอันนี้ก็เป็นอะไร ก็เป็นในกลุ่มจิตตานุปัสสนสติปัฏฐาน